คตติธรรม่อนฟังเอ3พสแผ่นที่แปดเ็โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมแผ่นที่แปดสบเ็ดให้คติธรรมหัวข้อว่า สัทธาสุขขังมัชชิอัปปมันโยคนด้อยปัญญาเมื่อได้รับสุขย่อมมัวเมาคติธรรมแผ่นนี้พูดถึงผู้มีปัญญาคนด้อยปัญญาคือคนไม่มีปัญญาเมื่อได้รับสุขนิดๆหน่อยๆก็รุ่มหลงมัวเมากับทรัพย์สมบัติที่ตนเองได้ แต่ถ้าคนมีปัญญาถึงจะมากมายขนาดไหนได้สมาบ้ากขนาดไหนเขาจะไม่รุ่งลงไม่ ห, หัวหมวองก็ราะเหตุไรต้องคิดไว้ว่าทรัพย์สมบัตินี้เป็นปัจจัยอาศัย ช, ชั่วคราวชั่วคราวเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยในเมื่อเราตายไปแล้วเราก็คิดไม่ได้เป็นสมบัติเป็นเนื้อเป็นหนังของเราแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ จะแ บ, บ่งฟันให้ใครทำบุญทำทานให้กับผู้ใดอันนั้นเกิดประโยชน์แต่ถ้าพวกเราได้ทรัพย์มาแล้วไม่รู้จักแบ่งไม่รู้จักปันมีแต่หวงแหงเพอเผลอแล้วก็จังทำความชั่วที่เมื่อได้ทรัพย์มาทำความชั่วอย่างไนเอาทรัพย์สมบัติที่ได้มาเอาไปซื้อของที่ผิดกฎหมายบ้างเอาไปทำร้ายทำรายคนหมือบ้าง สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่คนด้อยปัญญาทั้งนั้นเมื่อได้รับความสุขได้รับลาบเุื่อจะไเสริมสุขแล้วก็หัวเหมาแล้วก็ร่วงหลงในการเป็นผู้ของตนเองผลในสุดผลสุดท้ายก็คือความทุกข์นั่นแหละจะเข้ามาหาผู้ที่ด้อยปัญญาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งทั้งหลายเมื่อไปสัมผัสบัต ยอดถาบรรดาศักดราบกตะเริญเสร็สุขแล้วอย่าลุ่มหลงหัวเมาจนเกินไปให้ใช้สติใช้ปัญญาการกลองแตรตรองเหตุผลชีวิตของพวกเราไม่ยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะจากไปเมื่อเรเพราะนั้นขอให้พวกเราเมื่อจะานึกได้จากนี้ ขอให้พวกเราทุกท่านประกอบแต่คุณงามตวามดีด้วยอำนาจคุณพระีรัตนกรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสินน่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมบวังดังปราถนาทุกท่านบวยเถิด